ทีนี้มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องจิตนี่จะเป็นของเรื่องของนามรูปและเรื่องของประมัตนะแต่ในวันนี้จะเน้นถึงเรื่องจิตานุปัสสนาที่ทำให้เกิดนามรูปและเรื่องประมัตดก็เป็นเรื่องที่เป็นผลที่เป็นปฏิเวทที่เราจะต้องเกิดขึ้นเองนะนั้นในวงของอจิตานุปัสสนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ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 นะจากขุนศีโสตินศี น, นี่ตามภาษาเขาค่น า, านินศีชิวหินศีกายินศีมะนินศีคือมันทาหน้าที่ของแต่ละเป็นใหญ่ของแต่ละอ่นหน้าที่ทางตาก็ทาหน้าที่หินทั้งหมดเอาตาไปฟังก็ไม่ได้หน้าที่ทางหูมีหน้าที่ฟังจเจ้าหูไปเห็นนี่ก็ไม่ได้หน้าที่ของใครของมันเมื่อตาเห็นต้องทำอย่างนี้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 ดังนั้นการที่เรามีสติสัมปชัญญะกลับมาสู่จิตเดิมตั้งที่จิตก่อนเรียก ว, ว่าตั้งใจให้ดีนะเราเมื่กี้พูดใช่ไหมตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีเป็นคำพูดที่ใช้กันไปติดปากเลยเดี๋ยวตั้งใจให้ดีแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเวลาจะทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจก่อนไหม9ก้อร์เซนตไม่ได้ตั้งใจตอบสนองเลยเพราะเราตกเป็นทาสของสัญชตาติญาณ นะถเป็นธาตของสัญชัตยานเมื่อเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการอบรมไม่มีการสะดับตัวสัญชัตยานก็จะทำหน้าที่อย่างนี้ไปตลอดพบตลอดชาติและแน่นอนว่าเราก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะไอ้ตัวสัญชัตยานตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวสัญชัตยานตัวนี้จึงเป็นส่วนที่ทําให้คนสัตว์อะเสมอกันอยู่เสียง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 ดังนั้นเองเราก็จะตึงมาฝึกตัวนี้ขึ้นมาตัวธรรมะขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะอันแรกที่สุดท่านไปต้องฝึกอันนี้ทางพระมหาสมณะเจา้าผู้รจนาคำมพีนวะโกวา่าที่เป็นหลักสูตรของผู้เข้ามาสู่พระธรรมวินยัยขั้นแรกเนี่ยท่านตั้งไว้ดับแรกด้สี่ชุดทำสี่ชุดเนี่ยคุณไปต้องไปศึกษาก่อนท่านอน ว, วัค ว, ว่านวัคไว่าใหม่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 มันไม่ใช่ตัวตนอ่ะมันเป็นเป็นพลังอานหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายในตัวของมันเองนะมันจะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันคิดอยามันเปลียนไวมากไม่สามารถจะนับเป็นการเวลาได้เพราะเราเป็นอาการดีโก้นะกายเวทนาเนี่ยกลัวมันจะเกิดขึ้นเต็มที่ของมันอาศัยเวลาตั้งหลายนาทีใช่ไหมแต่จิตเนี่ยมันเปลี่ยนทุกขณะอาจจะนับเป็นวินาทีไม่ได้เลย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 คือสิ่งที่จรมาทันต่างหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนอาคกการตุกะเข้ามาสู่บ้านเราเมื่ออาคารดุกะกิเลสเข้ามาแล้วจึงมาทําให้จิตนี้ผิดปกติจิตเสียปกติไปเพราะมันไปบดบงังอาคารตุกะเพราะนักอคารตุกะเข้ามาบ้านเรามันอาจจะเป็นคนดีก็ได้คนร้ายก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นขโมยก็ได้ถ้าคนดีเข้ามามันก็สีที่ดีมีมาให้เราผูดวงไฟดีๆเอาสีขาวมาทาไฟสว่างไหม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 ว่าอย่าให้อารมณ์อะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขณะนี้เราไม่จาเป็นต้องใช้ทำไมเอาเรื่องนั้นมาขี้แ่ดเพราะอะไรตรงนี้หน้าที่ของสติปัญญาต้องทาหน้าที่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไม่สติปัญญาไม่ทาหน้าที่เราก็เบืออเราก็มัวนิวนต่างๆมันก็เข้าหรือเหมือนเราขับรถ่าน้าฝนถ้าเราไม่มีหน้าปัดไปไม่ได้ไปไม่รอดไม่เห็นทาง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 นะดังนั้นรูกกับนามต้องไปด้วยกันฝึกฝนซึ่งกันเลยกันแล้วจะง่ายขึ้นนะก็ข อ, อนุัมทนาสาธุความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐธรรมที่เป็นของจริงที่เราจะนําไปพิสูจน์ไปศึกษาต่อไปจนสามารถชําระจิตของเราให้สะอาดและผ่องใสด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ